Book 2 85 85คำถามอดีตการหนึ่งสปอชมอลฟอรติดเคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ววอร์มี่เอฮาร์ดูดรุกเกต คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ววูร่าคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วว u ร์มี่เ t ่าคุณนอนหลับสบายไหมวันฮาร์ดิ้ย์คุณสอบผ่านได้อย่างไร h ู r d ดันฮา้เบ้ คุณหาทางพบได้อย่างไรคุณพูดกับใครมาคุณนัดกับใครมาคุณฉลองงานวันใกิดกับใครมา คุณไปอยู่ที่ไหนมาคุณเคยอยู่ที่ไหนมาคุณเคยทยงานที่ไหนมาคุณแนะน u b o ไรคุณเคยทำงานที่ไหนมาคุณ har du j o b b ี t คุณแนะนำอะไรไปแล้ว คุณทานอะไรมาคุณได้พบอะไรมาคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุณใช้เวลาบินนานเท่าไรคุณขับรถมาเร็วแ l ่ไหน